ทุกะสิบสองปริตฐติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจญยะจตุกนัยสี่สิบสองสภาวธรรมที sí. ่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งเป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งเป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งเป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งเป็นปริตฐะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระ ใพิจานทุกปัจจัย43สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัร้องไห้ซึ่งเป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ซึ่งเป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 44. สี่สิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอภปมาณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปั จ, จัยมีปัจใจละหนึ่งวาระหนึ่งรสารณะทุกะสิบสามปริตารรมะนตือกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะเจตุกนัยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งมีปจจริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัย สี่สิหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ซึ่งมีมหาคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ซึ่งมีมหาคัตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งมีมหคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ซึ่งมีมหาคัตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีสองวาระ อารัมณปัจใจมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณาสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งมีอัปมาณะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งมีอัปมาณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจใจย่ยอ เหตุปัจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, าร ะ, จจาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสารณทุกกะสิบสี่หินนติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะตุกนาอีสิบแปด สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาศาัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยเหตุปัจจยัยมีหนึ่งวาระอารามะณปัจจยัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจยัยมีหนึ่งวาระย่อสหาจาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ๔๙ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระห้าสิบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระาย่อชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ หนึ่งร้อยจารณทุกกะสิบห้านิจจตติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระ อารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระห2สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาตชาติวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระห้าสิบสาสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้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 และที่ไม่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อห้าสิบสี่เหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึ่งขยายชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยหนึ่งร้ารณะทุกกะสิบห มัคคารมณติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยจตุกนัยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตดร้องไห้ซึ่งมีมัคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งมีมัคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระห้าสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ เ้าติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึงน่งวาระห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุทปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ สหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจยและหนึ่งวาระหนึ่งรอยจารณทุกกะสิบเจ็อุปนนตุกะเจ็ 7, ปัญหาวาระปัญญะจยจตุกนัยห้าสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุุปัจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตรองไห้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดขึ้น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 ห้เก้หตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจจาชาติปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีสี่วาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรีย์ปัจจัยมีสี่วาระชาณะปัจจัยมีสี่วาระมัคคะปัจจัยมีสี่วาระสัมยุตตปัจจัยมีสองวาระวิบยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในปุ100สลเิสกหนึ่งรารณทุกกะสิบแปด อติจติกะเจตปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยิหกสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในขุศละติกะหนึ่งสารณะทุกกะ19เกอติตารมณะติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยยะจตุกนใน6หสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตวดร้องไห้ซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอาริมณปัจจัยมีสองวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อพื้นขยายสหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยหกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งมีอนัคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งมีอนัคคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งเมียนัตตธรรมเป็นอารมณ์อาจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งเมียนัตตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระ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 หปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนาอหกสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยยอ่อหกสิห้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระ ให้พิจารณาทุกปัจจัยหกสิหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัย หนึ 100, ่งร้อยสระณทุกกะยี่สิบเอ็ดอาช ต, ตารมณตูตกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตกรร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่นี่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยหกสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งมีธรรมภายนอกตอนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีสองวาระอริมณปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปั จ, จัจหนึ่งร้อยสระณทุกกะยี่สิบสองสนิทัศนะติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุ ก, กนัยหกสิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จารองให้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเจ็ดสิบสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 สภาวธรรมที S <S. <S. ่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเจสิบสอง สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยย่อเจ็ดสิบสาม เหตุป ah ah ัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอเนนตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยาปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระ อาเซวณปัจัยมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจัยมีหนึ่งวาระอหราปัจใจมีสี่วาระอินทรียะปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคปัจใจมีสี่วาระสำยุตตปัจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีเจดวาระย่อ น้เหตุปัจจ no ัยมีเจดวาระน้อารามณปัจจัยมีเจดวาระย่อน้อารามณปัจจัยกับเหตุปัจใจมีสี่วาระย่ออารามณปัจใจกับน้าเหตุปัจใจมีสี่วาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนญาอนุโลมมาปัจจนญาและปัจจญญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วธรรมานุโลม ทุกตะตึกะประธานจบพระพิธรรมปิฎกธรรมานุโลมตึกกะทุกกะประธานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่ง ปุสาละติกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งเหตุบทหนึ่งปฏิจจาวาระปัจยะจัตุกไนเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้ขนเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัย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 นิสยปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอางเสวนปัจจัยมีสามวาระระมะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตะปจัยมีสามวาระย่อปัจจ尼ยะนัอธิปติปัจัยสี่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 หน้าที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระหนอเิวเนปจจัยมีสามวาระนวิปากะปจจัยมีสามวาระน้าวิปยุตตาปจัยมีสามวาระย่อหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตะวาระ ปัจยวาระนิจยวาระสังจัตวาระและสัมปยุตตาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระหนึ่งเหตุบุเจ็ปัญหาวาระปัยจยเจตุกนยัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้น 6. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยเจ็สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยอาริมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุ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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิสึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิสึ่งเป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระแสภาวธรรมที royalty, ่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยททปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยททปติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัย สภาวธรรมที society, ่เป็นอภยากฤิซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยทิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยเป็นต้นเกสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุ โดยนันระปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเป็นเหตุโดยนันทระปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นเหตุโดยนันระปัจจัยสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเป็นเหตุโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นเหตุโดยสหชาตปัจจัยอัญญามัญญปัจจัยและนิสยปัจจัยเหมือนกับสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นสิบเอด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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกรือซึ่งเป็นเหตุโดยวิปากาปจัยย่อสิเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระ ปุปาณิเสยปัจใจมีเก้าวาระอาสสัยวะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจใจมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจใจมีสองวาระมัคะปัจจัยมีสองวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจใจมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อปัจจนิยุทธะ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 โดยรมณปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศนซึ่งเป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุศนซึ่งเป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศนซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่เป็นอภยกฤิซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณ์ปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยสภาวาธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยย่าาอ14นเหตุปัจจัยเม้าวาระนอารมณปัจจัยเม้าวาระย่อ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุศลและที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 16. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยย่อ17เทตุปัจจัยมีเ้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตตาปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยาปัจจัยมีสามวาระ ภูเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาิเศกวณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีเ้าวาระเอินเทียปัจจัยมีเก้าวาระฌานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระ นัตติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจใจสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นเหตุ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 อาศ right. ัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกฤะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนอารรมนัปัจสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกฤะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนอารรมนัปใจยย่อ 19. บเนเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมนัปัจมีห้าวาระนัทิปติปัจจัยมี9้าวาระ ณอน An el ันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระณอุปาเนสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระณเสวุณปัจจัยมี9้าวาระนกรมมปัจจัยมีสมวาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยมีห้าวาระณวิปุญตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อณอารมะณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่ออารมะณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ พึงขยายสหชาตะวาระปั จ, จยาวาระนิสยวาระสังสัตถาวาระและสมยุตตวาระให้พิจารเหมือนปฏิจจวาระสองนเหตุตุบทเจปัญหาวาระปั จ, จยะจตุ ก, กนัยอารมณปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจ <II> ัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริศซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอขุสรุษซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุ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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโด้วยทิฏฐิปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัภยกริศซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัภยกริศซึ่งไม่เป็นเหตุโดยวยทิฏฐิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริศซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโด้วยทิฏฐิปัจจัยมีสามวาระ22สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุ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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตราปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนัตตราปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยยีสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจ yeah. ัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยาเกิดซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็น way, so AH meal meal อ J J e ara, ัภยากฤิซ <suf yardım S 2> ึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสัยปัจจัยย่อ 24. อารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอเนนทระปัจจัยมีเจดวาระ สัมมณันตะปัจจัยมีเจดวาระสหชาตาปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสิสาวาระอุปปานิสียปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจ็วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อหารปัจจัยมีเจ็ดวาระเอ็นทเรียปัจจัยมีเจ็ดวาระชาเนปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคะปัจจัยมีเจ็ดวาระสามยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีสิบสามวาระนัติปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระ ณอารามณปัจจัยมีสิบห้าวาระยอ่อณเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเก้าวาระยอ่ออารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะ